สมองของคนตาทิพย์โดยธรรมดาคนที่จะเกิดมามีความจำดีหรือไม่ดีย่อมเกี่ยวข้องกับสมองอย่างใกล้ชิดซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเด็กที่สมองยังไม่เจริญย่อมจำอะไรไม่ค่อยได้ คนแก่ที่สมองเสื่อมแล้วก็เช่นเดียวกันหรือคนที่เป็นโรคทางสมองบางอย่างหรือสมองได้รับความกระทบกระเทือนความจำก็ย่อมจะสูญเสียไปด้วยและถ้าหากคนไหนจะเกิดมาเป็นคนมีความจำดีก็ต้องมีพื้นฐานดีมาตั้งแต่เด็กถ้าพื้นฐานเดิมไม่ดีแล้วจะมาฝึกให้มีความจำดีในภายหลังนั้นยากมากและในทานองเดียวกัน คนที่จะเกิดมามีความเฉลียวฉลาดมีความปราดเปรื่องในทางไหนก็ย่อมจะมีสมองพิเศษในทางนั้นมาตั้งแต่เด็กๆจากข้อสังเกตในเรื่องเหล่านี้ทําให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยว่าคนที่จะสามารถฝึกสมาธิจนกระทั่งถึงขั้นเกิดตาทิพนั้นก็น่าจะมีสมองพิเศษในทางนี้มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งถ้าหากคนไหนไม่มี ก็ยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอามาฝึกสมาธิให้ถึงขั้นได้ตาทิพย์ถ้าหากความจริงเป็นอย่างนี้คนที่คิดว่าตัวเองสามารถที่จะฝึกสมาธิให้ถึงขั้นนั้นขั้นนี้ได้นั้นก็น่าจะหยุดคิดเกี่ยวกับปัญหาทางสมองของตัวเองบ้างและเพื่อความแน่ใจข้าพเจ้าจึงได้นํำเรื่องนี้ไปเรียนถามโอปปปาติกาองค์หนึ่ง ซึ่งท่านได้การุณาให้คําอธิบายดังต่อไปนี้ท่านบอกว่าสมองของคนเราย่อมวิวัฒนาการไปตามวิบากแต่การวิวัฒนาการของสมองนั้นจะสังเกตได้ยากมากด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ แม้จะตรวจดูด้วยกล้องหรือใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆก็ตามเท่าที่มีอยู่ในสมัยนี้นอกจากการตรวจโดยอาศัยวิธีทางสมาธิเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ได้และการรู้ที่ว่านี้ก็ไม่ได้หมายความถึงว่าจะสามารถมองเห็นและบอกได้ว่าสมองของคนที่จะเอามาฝึกให้สำเร็จในทางตาทิพนั้นแตกต่างจากสมองของคนที่ไม่มีทางจะฝึกให้สาเร็จถึงขัน้นนี้ได้อย่างไร แต่ถึงแม้จะบอกไม่ได้ก็สามารถที่จะอยางรู้ได้อย่างแน่นอนว่าลักษณะทางสมองไม่เหมือนกันแน่ความวิวัฒนาการของสมองที่ว่าเป็นไปตามวิบากนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากแต่ถ้าหากพิจารณาจากตัวอย่างดังต่อไปนี้ก็อาจจะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นขอให้สังเกตดูว่าคนที่มีความไม่สบายใจอยู่เสมอ อาจจะทำให้เกิดโรคทางกายได้หลายอย่างเช่นเป็นโรคผิวหนังได้เป็นโรคจำพวกแพ้สิ่งต่างๆซึ่งทำให้เกิดอาการเหอหรือคันตามตัวก็ได้หรืออาจจะทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือลำไส้หรือโรคอื่นๆได้อีกหลายอย่างซึ่งโรคต่างๆที่มีสาเหตุมาจากทางจิตใจนี้การรักษาทางยาเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถทาให้โรคหายได้ต้องใช้วิธีรักษาทางจิตประกอบด้วย จึงจะทำให้โรคหายได้จากตัวอย่างดังที่กล่าวมานี้จะทำให้เข้าใจได้ว่าเมื่อคนเรามีลักษณะทางจิตใจแตกต่างกันก็ย่อมจะทำให้คุณสมบัติของสมองต่างกันและถ้าความแตกต่างกันนี้มีอยู่อย่างมากมายแล้วก็อาจจะสังเกตไดจากลักษณะของสมองเช่นคนที่มีสติปัญญาต่ำ กับคนที่มีสติปัญญาอย่างลึกซึ้งน้ำหนักของสมองในเมื่อเทียบกับส่วนของร่างกายแล้วจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันร่องภายในสมองก็จะไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นตน้นแต่อย่างไรก็ดีความแตกต่างของสมองที่สังเกตได้จากการชั่งน้ำหนักหรือจากการดูลักษณะภายนอกนั้นถึงจะต่างกันอย่างไร ก็ไม่อาจาที่จะบอกถึงความแตกต่างกันได้จริงๆและการตรวจทางสมองก็ไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ได้ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าคนที่มีสติปัญญาสามกับคนที่มีสติปัญญาปานกลางและคนที่มีสติปัญญาลึกซึ้งนั้นลักษณะาทางสมองก็ย่อมจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน คนที่จะเกิดมามีตาทิพย์มาแต่กำเนิดโดยไม่ได้ฝึกหรือคนที่เกิดตาทิพย์เพราะการฝึกในภายหลังก็ตามบุคคลประเภทนี้ย่อมมีลักษณะทางสมองผิดจากคนธรรมดาแต่จะผิดอย่างไรนั้นไม่อาจจะบอกได้แต่การที่เราพยายามที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องนี้ก็เพื่อประโยชน์ในอันที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองว่าคนอย่างไรจะสามารถฝึกสมาธิไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้ได้หรือไม่ถ้าได้ ได้เพราะอะไรถ้าจะไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเมื่อเราทราบถึงกฎเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วก็จะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะมุ่งทําในสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้และที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือเวลานี้เราเชื่อกันโดยทั่วไปแล้วว่าคนที่สามารถจะเห็นโอปปาติกะและติดต่อกับโอปปาติกะได้นั้นมีจริงๆไม่ใช่เรื่องนิยาย และจากผลงานของคนประเภทนี้ได้ทำให้คนทั้งหลายเกิดความสนใจที่จะฝึกตัวเองให้มีความสามารถอย่างนั้นบ้างโดยไม่รู้ความจริงว่าตนจะสามารถฝึกได้จริงหรือเปล่าและเท่าที่สังเกตดูคนที่สนใจในเรื่องเหล่านี้ก็มักจะทำไปอย่างงมงายนึกฝันกันอย่างลมๆแล้งๆ แ, แล้วก็เสียเวลาไปโดยใช่เหตุเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการเตือนสติของผู้ที่สนใจในเรื่องเหล่านี้ท่านได้กล่าวว่าสมองของคนตาทิพย์กับสมองของคนธรรมดานั้นผิดกันมากและการเห็นโอปปาติกะด้วยตาทิพย์กับการเห็นที่ไม่ใช่ด้วยตาทิพย์ก็ผิดกันมากแต่คนโดยมากก็มากจะเข้าใจว่า ถ้าใครเห็นโอปปาติกะซึ่งจะเห็นโดยวิธีไหนก็ตามก็เรียกกันว่าคนนั้นได้ตาทิพ์ทั้งนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วการเห็นโอปปาติกะไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยตาทิพ์เสมอไปเพราะโดยธรรมดาทุกคนไม่ว่าสมองจะอยู่ในระดับต่ำซักเพียงไรก็ย่อมจะเห็นโอปปปาติกะได้เสมอถ้าหากบุคคลเหล่านั้นอยู่ในสภาวะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1. ยังเป็นเด็กทารกสมองยังไม่เจริญซึ่งโดยปกติแล้วจะมีอายุอยู่ภายในระยะหนึ่งขวบอันนี้เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเด็กที่อยู่ในวัยนี้จะเห็นโอปปาติกะเสมอแต่เด็กแยกไม่ออกว่าคนกับโอปปาติกะต่างกันอย่างไร เด็กในวัยนี้ที่สามารถเห็นโอปปปาติกะได้ไม่ใช่เพราะเด็กได้ตาทิพย์แต่เป็นเพราะสมองยังไม่เจริญซึ่งทำให้เด็กรับอารมณ์ภายนอกไม่ค่อยได้ถึงแม้จะรับอารมณ์ภายนอกเข้าไปก็ฝังใจอยู่ได้ไม่นานประเดี๋ยวเด็กก็ลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนหมดสิน้นเพราะฉะนั้นพื้นฐานทางจิตใจของเด็กในตอนนี้จึงว่างจากอารมณ์เสียเป็นส่วนมากและด้วยเหตุ น, นี้เองจึงสามารถเห็นโอปปาติกะได้ ขอได้โปรดทำความเข้าใจให้ดีว่ามนุษย์เราทุกคนย่อมสามารถจะเห็นโอปปาติกะได้โดยธรรมชาติซึ่งความสามารถที่ว่านี้มีเหมือนกันหมดและไม่ต้องฝึกเพราะมันมีมาตั้งแต่กําเนิดความสามารถอันนี้ที่มีขึ้นมาได้ก็เพราะทุกคนก่อนที่จะมาเกิดเป็นคนได้เคยเป็นโอปปปาติกะมาแล้วทั้งสิน้นและความสามารถในการเห็นโอปปาติกะในสมัยที่ตนยังเป็นโอปปาติกะอยู่นั้น ย่อมจะมีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนแม้จะได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ตามแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นสมองเริ่มรับอารมณ์ภายนอกมากขึ้นและอารมณ์ต่างๆก็ฝังใจได้นานขึ้นความว่างจากอารมณ์ภายนอกจึงค่อยๆหมดไปจนกระทั่งในที่สุดความสามารถในการเห็นโอปปาติกะก็หมดไปโดยสิ้นเชิงเพราะภายในจิตใจจะมีแต่อารมณ์ภายนอกที่ผ่านเข้าไปทางประสาทสัมผัส และในใจก็จะวุ่นวายกับอารมณ์เหล่านี้ตลอดเวลา 2. คนป่วยหนักจวนจะตายคนประเภทนี้ก็คล้ายคล้ายกับเด็กทารกกล่าวคือสมองในตอนนี้เสื่อมลงไปมาก ไม่สามารถจะรับอารมณ์ภายนอกได้โดยสะดวกซึ่งจะสังเกตได้ว่าคนที่จวนจะตายนั้นหูก็มักจะไม่ค่อยได้ยินอะไรตาก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรถ้าหากว่าในตอนนี้คนป่วยมีจิตใจสงบความกดดันทางอารมณ์ไม่ค่อยมีเขาก็จะสามารถเห็นโอปปาติกะได้เสมอแต่ส่วนมากก็มักจะมีมโนภาพที่เกิดจากอุปาทานซ้อนเข้ามาด้วยเสมอ ยิ่งคนที่มีจิตใจกระวนกระวายหรือมีความห่วงใ ย, ยอยู่มากภาพที่เห็นส่วนมากก็จะเป็นมโนภาพที่เกิดจากใจของตัวเองไม่ใช่ภาพจริงกล่าวคือถ้าเห็นใครในขณะนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าได้เห็นโอปปปาติกะจริงๆแต่ตรงกันข้ามเขาได้เห็นภาพที่ใจของเขาสร้างขึ้นเองเหมือนกับในความฝัน และมโนภาพที่ว่านี้อาจจะตามหลอกหลอนไปได้แม้ในเมื่อได้สิ้นใจไปเกิดเป็นโอปปาติกะแล้วคนที่เป็นโรคประสาทหรือเป็นโรคจิตอย่างแรงจนกระทั่งประสาทแปรปรวนเห็นภาพหลอนหรือได้ยินเสียงต่างๆซึ่งเกิดจากหูของตัวเองแววไปอย่างที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นี้นั้นในโลกของโอปปปาติกะก็มีและก็เกิดได้ง่ายกว่าในโลกมนุษย์เสียอีก 3. คนที่นอนหลับสนิทซึ่งในบางครั้งถ้าจิตว่างหรือสงบจริงๆก็สามารถเห็นโอปปปาติกะได้อย่างที่บางคนเคยฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วซึ่งในบางกรณีก็เป็นการเห็นจริงๆไม่ใช่เป็นมโนภาพที่เกิดจากอุปาทานแต่อย่างไรก็ตามเราควรจะต้องนึกไว้เสมอว่าสำหรับบุคคลที่ยังควบคุมจิตใจไม่ได้ตามความตั้งใจนั้น ภาพที่เกิดจากความคิดของตัวมักจะต้องแทรกซ้อนเข้ามาได้เสมอซึ่งเป็นการยากที่จะแยกได้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงเพราะฉะนั้นอย่าได้ยึดถือความฝันในลักษณะนี้จนเกินไปการเห็ น, นอปปาติกาทั้งสามอย่างดังที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เรื่องตาทิศแต่เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าใครถ้าอยู่ในสภาวะดังที่กล่าวมาก็สามารถเห็นโอปปาติกะได้เสมอบางคนที่ฝึกสมาธิได้ถึงขั้นหลับในสมาธิและสามารถเห็นโอปปาติกะได้นั้นถ้ายังไม่สามารถที่จะมองทะลุฝาทะลุกำแพงได้ก็แปลว่ายัางไม่ได้ตาทิพส่วนผู้ที่ได้ตาทิพจริงๆนั้นเมื่อเข้าสมาธิไปแล้วในใจจะรู้สึกสว่างมาก และในเวลาเดียวกันนี้ก็สามารถจะมองเห็นสิ่งที่อยู่นอกฝานอกกำแพงหรือสิ่งที่อยู่ไกลๆคนละตำบลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็สามารถที่จะมองเห็นได้ซึ่งการเห็นที่ว่านี้เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเห็นด้วยตาธรรมดาและแม้สิ่งที่เล็กที่สุดซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นผู้ที่ได้ตาทิพย์ก็สามารถที่จะมองเห็นได้ นี่คือลักษณะของคนที่ได้ตาทิพย์จริงๆคนตาทิพย์ดังที่กล่าวมานี้จะต้องเป็นคนที่มีสมองพิเศษมาตั้งแต่เกิดถ้าคุณสมบัติอันนี้ไม่มีมาตั้งแต่เกิดก็ไม่อาจที่จะเอามาฝึกให้สำเร็จตาทิพย์ได้แม้จะใช้ความพยายามหรือใช้เวลามากสักเพียงไรก็ตามนี่คือลักษณะที่สำคัญที่สุดซึ่งน้อยคนมากที่จะมีได้ฉะนั้นคนทั่วไปจึงไม่ควรจะฝึกสมาธิเพื่อผลอันนี้ เพราะจะทำให้เสียเวลาเปล่าๆและยังจะก่อให้เกิดผลร้ายในทางจิตใจได้อีกหลายอย่างแต่อย่างไรก็ดีทุกคนที่สนใจในทางนี้ก็อยากจะรู้ว่าสมองของคนที่จะได้ตาทิพนั้นมีลักษณะอย่างไรปัญหาข้อนี้เอาไว้อธิบายในฉบับหน้า